ข้อผิดเพี้ยนในการปฏิบัติขอนอบน้อมบูชาแด่ท่านคุรุปปัทมะสัมภาวะผู้ยิ่งใหญ่ผู้รู้จักกันในนามผู้ถือกำเนิดจากดอกบัวแห่งอุทิยานผู้เป็นกายอวตารขององค์พระพุทธเจ้าในการทั้งสามวิทยาธาราผู้ยิ่งใหญ่แห่งสัพพายุตายานอันอมะตะ ท่านได้ถูกอาราธนามาที่เบดโดยพระธรรมราชาตรีซองดอยเซนในขณะที่อยู่ที่นั่นตัวฉันโซโกเกียวได้เฝ้าดูแลท่านในฐานะชายาและผู้ปรนิบัติความผิดเพี้ยนในเรื่องทิฏฐิการภาวนาและการดำรงตน เจ้าหญิงโซเกียวได้ถามว่าอะไรคือหนทางที่จะผิดเพี้ยนในเรื่องทิฏฐิการภาวนาและการดำรงตนท่านครูตอบว่าจงตั้งใจฟังสิ่งนี้นะโซเกียว 1. ความผิดเพี้ยนของทิฏฐิมีห้าประเด็นด้วยกันคือ ความผิดเพี้ยนของตัวที่ถเองความผิดเพี้ยนไปเพราะที่อยู่การผิดเพี้ยนเพราะเพื่อนฝูงความผิดเพี้ยนเพราะกิเลสและการเอ็งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง 1.1 ความผิดเพี้ยนของตัวที่ถเอง สัมมาทิฏฐิอันเป็นพื้นฐานทั่วไปของธรรมคือความเข้าใจอันแจ้งชัดว่าความว่างนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขตแต่ในเนื้อหาสาระนี้นักปฏิบัติผู้เข้าถึงแก่นธรรมอย่างแท้จริงจะยอมรับความว่างที่เป็นของจริงที่ประจักษ์แจ้งโดยตรงเมื่อเธอบังเกิดความรู้แจ้งต่อสภาวะธรรมอันยิ่งนี้อย่างแท้จริงปารมัต สองสิ่งนี้คือความว่างและประสบการณ์ตรงที่ตนประจักษ์แจ้งจะไม่ใช่สิ่งที่จะแยกต่างกันได้อีกต่อไปแต่หากเธอไม่ได้บังเกิดความรู้แจ้งอย่างแท้จริงเมื่อนั้นสัมมาทิฐิพื้นฐานซึ่งเกิดจากการสรุปเอาเองด้วยความคิดย่อมอย่างจะไม่เป็นหนึ่งเดียวกับความหมายที่แท้จริงของมันและนี่คือ พื้นฐานของการผิดเพี้ยนของตัวทิฏฐิเมื่อเธอไม่ใส่ใจในทิฏฐิที่จะต้องเกิดจากการรู้เห็นตามเป็นจริงแต่เธอกลับคิดว่าทิฏฐิอันเกิดจากคำพูดภาษาและการสรุปเอาด้วยการคิดนั้นเป็นปรมาสภาวะเธออาจจะใช้คำพูดได้สวยหรูเช่นทุกๆสิ่งนั้น อยู่นอกเหนือจุดอ้างอิงใดๆมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นและปราศจากความสุดต่งทั้งสองแต่การปฏิบัติตัวของเธอก็ยังมีความสับสนระหว่างสิ่งที่เป็นกุศลและอ ก, กุศลเธอจะหลงคิดว่ามันไม่ได้มีความดีและความชั่วการทำดีก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใด การทำไม่ดีก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมันเป็นอิสระอยู่แล้วและทุกๆอย่างนั้นเหมือนๆกันเช่นนี้เธอก็ยังคงเป็นปุถุชนธรรมดานี่คือสิ่งที่เรียกว่าความสับสนอันมืดบอดอันเป็นทิฏฐิของมานและมันคือรากเหง้าของทุกๆ ท, ทางแห่งความผิดเพี้ยนของทิฏฐิ โซเกียว so หากเธอต้องการจะหลีกเลี่ยงการผิดเพี้ยนไปในทางเช่นนี้มันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่เธอจะต้องประพฤติตนให้สอดคล้องกับทิฐิแห่งธรรมที่ไร้ความเป็นคู่คงตื่นรู้อยู่อย่างธรรมชาติและสอดคล้องกลุ่มกลืนกับการกระทาอันเนื่องด้วยเหตุและปัจจัยอันละเอียดอ่อนภายใน 1.2. ความผิดเพี้ยนไปเพราะที่อยู่ได้มีคำสอนไว้ว่าเพื่อที่จะให้บังเกิดความรู้แจ้งในธรรมอันยิ่งอย่างสมบูรณ์ตามสัมมาทิฏฐิที่ททมีผู้ที่ได้บังเกิดความรู้แจ้งขึ้นบ้างแล้วควรจะปลีกวิเวกไปในที่ที่สงบโปรง่งโลง่งเช่นตามป่าเขาหรือป่าช้า เธออาจจะมีความแจ้งชัดในสัมมาทิฏฐิขึ้นได้ชั่วครั้งคราวแต่เพื่อที่จะให้มันมั่นคงสืบเนื่องอยู่ได้เช่นนั้นเธอจะต้องปลีกตัวไปพักอยู่ตามป่าเขาหากเธออยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนมันย่อมทำให้ทิฏฐิของเธอนั้นผิดเพี้ยนไปได้โซเกียว so หากเธอต้องการจะหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนเช่นนี้จงคงรักษาความแจ้งชัดในสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นชั่วคราวนั้นในที่ที่สงบวิเวกตามป่าเขาเธอ 1.3 การผิดเพี้ยนเพราะเพื่อนฝูง ได้มีคำสอนไว้ว่าผู้ที่บังเกิดความแจ้งชัดในสัมมาทิฏฐิขึ้นได้ชั่วครั้งชั่วคราวนั้นควรจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์อยู่ในหมู่กัลยาณมิตรผู้ที่มีธรรมที่เข้ากันได้และไม่เสริมสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นหากสัมพันธ์อยู่ในหมู่เพื่อนที่พาแต่ไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เธอย่อมไม่สามารถดีกเลี่ยงอิทธิพล จากการกระทําอันเป็นทางเสื่อมของพวกเขาได้นั่นคือรากเงาของการเฉชฉืัยเนื่องเพราะมันจะโน้มนำเธอให้หมกมุ่นไปในทางโลกโลกยีดกันเธอจากการคงรักษาสัมมาทิฐิให้สืบเนื่องและกลับเป็นการพอกพูนอารมณ์ที่รบกวนให้มากขึ้นโซเกียว หากเธอต้องการจะหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนเช่นนี้จงตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงที่ฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยทั้งหลายและคงอยู่อย่างวิเวกสันโดษเธอ 1.4. ความผิดเพี้ยนเพราะกิเลส ผู้ที่บังเกิดความแจ้งชัดในสัมมาทิฏฐิขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวย่อมอย่างไม่สามารถจะชนะกิเลส ข, ของตนได้ทั้งหมดเขาเหล่านั้นอาจถูกอารมณ์ต่างๆครอบงำได้เนื่องเพราะความหลากหลายของสิ่งต่างๆที่แวดล้อมพวกเขาซึ่งในระหว่างที่ถูกครอบงำนี้แม้เพียงชั่วขณะมันก็ก่อให้เกิดกรรม และหากมันคงอยู่นานเธอก็ย่อมประกอบกรรมด้านลกเนื่องเพราะอำนาจของพิษทั้งห้าที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ทั้งหกอีกดังนั้นเพื่อให้ได้รับผลไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือขั้นสูงก็ตามเธอจำต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วผ่อนคลายความจดจ้องของเธอ ท่ามกลางอารมณ์นั้นจงฝึกเจริญเมตตากรุณานแก่สรรพสัตว์ที่ได้สร้างกรรมไว้มากมายเนื่องเพราะถูกอารมณ์รบกวนจงเทิดทูนบูชาและอ้อนวอนต่อครูบาอาจารย์ของเธอว่าขอจงได้โปรดประทานพรให้แก่ข้าเพื่อให้ข้า สามารถใช้อารมณ์อันรบกวนทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นหนทางแห่งการภาวนาจงท่องบนมนตราทุกๆวันเพื่อจะได้ช่วยทำให้เมล็ดพันธุ์ของอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นบริสุทธิ์และตามด้วยการทำใจให้ผ่อนคลายอยู่ในสภาวะที่แนบแน่นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิ อุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแก่สรรพสัตว์และกล่าวบทเสริมสร้างกำลังใจแห่งโพธิจิตหากเธอปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นประจำเธอจะบรรลุถึงกุศลมากมายทั้งในแบบชั่วคราวและในขั้นสูงสุดแต่หากเธอไม่ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เธอก็จะไหลจมอารมณ์และไม่สามารถบังเกิดทิฏฐิที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งนี่เป็นรากเหง้าแห่งความผิดเพี้ยนที่รุนแรงที่สุดโซเกียว <So girl. S 1> หากเธอต้องการจะหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนเช่นนี้จงฝึกหัดใช้ยาแก้ต่อกิเลส ต, ต่างๆแล้วใช้มันเป็นหนทางในการปฏิบัติของเธอ 1.5 การเอ็นเอียงไปในข้างใดข้างหนึ่งแม้ว่าบางคนจะบังเกิดความแจ้งชัดในสัมมาทิฏฐิขึ้นได้ชั่วคราวก็ตามเขาอาจเกิดความผิดเพีย้ยนเพราะหลงยึดอยู่ในปรัชญาแนวคิดเฉพาะสายของตนเขาอ้างอิงทำทั้งหลายจากพระสูตรด้วยความเอ็นเอียงไปข้างเดียว และประกอบด้วยอคติพวกเขาจะแบ่งแยกพวกของตัวเองออกจากพวกของคนอื่นในลักษณะสูงกว่าและต่ำกว่าซึ่งการกระทำเช่นนี้คือความผิดเพี้ยนพื้นฐานของการพยายามที่จะสร้างขอบเขต จ, จำกัดให้เกิดขึ้นกับธรรมอันยิ่งใหญ่และไร้ขอบเขตของพระพุทธเจ้าด้วยความคิดเห็นของคนธรรมดา และพยายามสร้างบทสรุปที่ตายตัวให้กับธรรมโซเกียวหากเธอต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนเช่นนี้จงทำความแจ้งชัดในอิสรภาพของธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ไร้ขอบเขตจำกัดนี้เธอ 2. ความผิดเพี้ยนของการภาวนามันมีห้าประเด็นเช่นกันคือความผิดเพี้ยนของตัวการภาวนาเองความผิดเพี้ยนเพราะถิ่นที่อยู่และเพื่อนฝูงความผิดเพี้ยนเพราะการภาวนาที่ผิดและความผิดเพี้ยนเพราะกิเลส 2.1 ความผิดเพี้ยนของตัวการภาวนาเองนี่เกิดขึ้นเมื่อผู้เป็นสิทธิ์ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ชี้แนะโดยตรงได้เขาจึงผิดเพี้ยนไปเพราะความเข้าใจอันสับสนในแก่นแท้ธรรมชาติและพลังและเพราะความไม่สามารถจะบังเกิดความแจ้งชัด ในความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างความว่างกับความตื่นรู้ได้เพื่ออธิบายสิ่งนี้ต่อไปหลังจากปฏิบัติตามแบบที่ครูบาอาจารย์ของเธอแนะนำแต่ด้วยความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนหากเธอไปหลงยึดติดแค่เพียงความรู้สึกปิติที่เกิดขึ้นทางกายและใจเช่นนั้น เธอย่อมผิดเพี้ยนไปเกิดใหม่เป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกามาภพหากเธอยึดติดอยู่แค่สภาวะของจิตที่สงบปราศจากความคิดเธอย่อมไปเกิดเป็นพรหมในรูปประพบหากเธอติดใจอยู่ในสภาพที่รู้อย่างกระจ่างแจ้งและปราศจากความคิดเธอจะไปเกิดเป็นพรหมในดินแดนบริสุทธิ์หากเธอยึดติดอยู่ในความปิติ และสภาพที่ไร้ความหมายใดๆเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาในกามภ พ, พหากเธอติดใจอยู่กับความว่างและสภาพที่ไร้ความหมายใดๆเธอจะไปเกิดเป็นพรหมในอรูปภ พ, พนี่คือความผิดเพี้ยนที่เธอจะไปเกิดในภ พ, พ, พทั้งสาม หากเธอพยายามขวางกั้นการไหลาตามธรรมชาติของการรับรู้วัตถุแห่งอารมณ์ทั้งหลายเธอจะหลงจมแช่อยู่ในขอบเขตแห่งการรับรู้อันเป็นดุจอวกาศที่ไร้จุดสิ้นสุดอากาสาดัญจายตนะหากเธอพยายามขวางกั้นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นหรือพยายามทำให้มันหยุดเหมือนกับคนที่นอนหลับสนิท เธอจะหลงจมแช่อยู่ในขอบเขตแห่งการรับรู้อันไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์อกิณจัญญาญาตนะหากเธอขวางกั้นการรับรู้ในขณะที่การรับรู้นั้นแจ่มชัดเธอจะหลงจมแช่อยู่ในขอบเขตแห่งการรับรู้อันหาที่สุดไม่ได้วิญญาณดัญญายตนะ หากเธอพยายามคงรักษาความปิติอันละเอียดไว้อย่างสืบเนื่องในขณะที่ไม่มีอะไรเลยถูกรับรู้เธอจะหลงจมแช่อยู่ในขอบเขตแห่งการรับรู้ที่ไม่ใช่ทั้งมีความหมายมั่นใดๆอยู่และไม่ใช่ทั้งไม่มีความหมายมั่นใดๆอยู่เนวาสัญญานาสัญญายตนะทั้งหมดนี้เรียกว่า การตกจมลงไปในข้างของสมถะและเมื่อเธอตายเธอยังคงต้องเวียนว่ายอยู่ในภพทั้งสและภูมิทั้ง6อยู่ต่อไปโซเกียว <So dear, S 1> มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับไปจมอยู่ในสังสารวัตอีกดังนั้นจงตัดขาดซึ่งความผิดเพี้ยนในการปฏิบัติภาวนาแบบโง่เขลาเช่นนี้ นอกจากนี้หากเธอเชื่อในวิธีที่คนทั่วไปมองวัตถุและจิตเธอก็จะเชืใช้ไปในความเป็นวัตถุนิยมธรรมดาธรรมดาหากเธอเชื่อมันสุดตรงไปในข้างใดข้างหนึ่งแห่งความมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงเธอก็จะหลงไปสู่ศัตรติทิฏหรืออุดเฉดทิฏของพวกสุดตรงนอกศาสนา หากเธอเชื่อว่าวัตถุนั้นมีอยู่โดดๆ โ, โดยแยกต่างจากจิตเธอก็จะเชื้อใช้ไปในทางของสาวกหรือปเจกับพุทธะหากเธอเชื่อว่าการรับรู้ทั้งหลายนั้นคือจิตเท่านั้นเธอก็จะเชื้อใช้ไปเป็นพวกจิตตมไมตรินจิตอย่างเดียวเท่านั้นที่จริงแท้หากเธอเชื่อว่าโลกและสรรพสัตว ล้วนคือองค์เทพแห่งพุท ธ, ธะเธอกําลังเฉยชัยไปในเรื่องของมนตราแล้วอะไรจะคือประโยชน์ของการภาวนาที่ไม่รู้ว่าจะตัดขาดสิ่งผิดเพี้ยนเหล่านี้ได้อย่างไรเล่าท่านโซเกียวจึงถามว่าขอท่านได้โปรดแนะนําวิธีการที่จะตัดขาดความผิดเพี้ยนของการภาวนาเหล่านี้ ไม่ให้เหลือด้วยเธอท่านครูรู้ตอบว่าโซเกีย so วหากเธอต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนทั้งหลายนี้ก่อนอื่นเธอต้องขยันศึกษาให้ดีจนเกิดความเข้าใจที่แจ้งชัดต่อไปเธอต้องตั้งมั่นอย่างหนักแน่น อยู่บนคำแนะนำที่ครูของเธอได้ชี้แนะไว้และสุดท้ายเมื่อนำมันไปปฏิบัติเธอต้องทำความเข้าใจให้แจ้งชัดว่าพ้นทางแห่งความผิดเพี้ยนทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรอื่นนอกไปจากความยึดมั่นถือมั่นและการหลงยึดติดในสภาวะที่เกิดจากการภาวนา การภาวนาแบบกระต่ายที่หลงนอนแช่อยู่ในรังนกอินทรีหรือการภาวนาด้วยความตั้งมั่นแบบจดจ้องของนักยิงธนูนั้นล้วนไม่สามารถนำไปสู่ความหลุดพ้นได้ไม่ว่าเธอจะเกิดประสบการณ์ชั่วคราวแบบใดจงค่อยๆผ่อนคลายและคงอยู่ท่ามกลางประสบการณ์เหล่านั้นโดยปราศจากความพยายามที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ปราศจากความคาดหวังหรือความกลัวและปราศจากการรับมันเข้ามาไว้เป็นของตนหรือการปฏิเสธเมื่อเธอปราศจากการยึดติดในประสบการณ์หรือสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่มีเหตุให้เกิดความผิดเพี้ยนใดๆได้ 2.2 ความผิดเพี้ยนเพราะถิ่นที่อยู่และเพื่อนฝูงนักปฏิบัติควรฝึกตนอยู่ในที่ที่เหมาะสมหากเธออาศัยอยู่ในวัดที่มากไปด้วยสิ่งยั่วยวนหรือที่ที่ส่งเสริมให้อารมณ์ทั้งหลายมันมากขึ้นโลภะและโทสะของเธอจะทำให้เธอถูกครอบงำด้วยอารมณ์เหล่านี้เนื่องเพราะลาบและสาการะที่เธอได้รับ การคบค้ากับเพื่อนที่เป็นอากกลยานมิตรย่อมทำให้การภาวนาของเธอไม่ก้าวหน้ามันเป็นเหมือนเธอซื้อยาพิษให้กับตัวเธอเองเซเกีย <So dear. S 1> หากเธอต้องการปฏิบัติธรรมในหนทางอันแท้จริงมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องตัดเชือกของเธอที่ผูกมัดไว้กับสถานที่บุคคล และอื่นๆที่ไม่เป็นประโยชน์ดังนั้นจงละเลิกมันเสีย 2.3 ความผิดเพี้ยนเพราะการภาวนาที่ผิดพลาดเมื่อเธอพยายามที่จะคงรักษาการภาวนาไว้ เธออาจจะประสบกับความทื่อทึบความซัดสายและความฟุ้งได้ 1. ความทื่อทึบมีอยู่6ชนิดคือความทื่อทึบอันเกิดจากสถานที่จากเพื่อนฝูงจากเวลาจากอาหารจากท่าทางและจากการภาวนาเอง 1.1 ความทื่อทึบ อ, อันเกิดจากสถานที่เกิดขึ้นเพราะการพักอยู่ตามป่าที่เป็นหุบเขาหรือในบริเวณหรือหมู่บ้านที่ขาดศิลธรรมเธอจะรู้สึกจิตใจไม่โปร่งพินทุกของเธอจะไม่ใสกระจ่างความตระหนักรู้ของเธอจะอึมครึมเธอจะรู้สึกงงง่วงและกายของเธอจะรู้สึกหนัก ในกรณีเช่นนี้ให้ประกอบพิธีกรรมเพื่อทำการชำระล้างและทำการสำนึกผิดให้ไปอยู่ตามที่สูงและโล่งโปร่งภาวนาในที่ที่ไม่ค่อยมีเมฆท้องฟ้าใสเปิดหน้าต่างรับอากาศบริสุทธิ์จินตนาการว่าเธอกำลังอยู่บนยอดภูเขาหิมะและสัมผัสกับลมเย็นแห่งอากาศบริสุทธิ์ วิธีการเช่นนี้จะช่วยขจัดความทื่อทึบเช่นนี้ได้ 1.2. ความทื่อทึบอันเนื่องจากเพื่อนฝูงจะเกิดขึ้นเมื่อเธอพักอยู่กับคนที่ไม่ค่อยมีศีลธรรมหรืออยู่กับคู่ครองที่มีลักษณะไม่บริสุทธิ์ซึ่งอาจเคยเป็นคนสำส้อน ตัวเธอเองก็จะมัวหมองไปด้วยในกรณีเช่นนี้ให้เธอประกอบพิธีกรรมเพื่อการบรรลุผลและทำการสารภาพผิดและประกอบพิธีกรรมเพื่อความบริสุทธิ์เธอต้องออกห่างบุคคลผู้ล่วงละเมิดสมายาของตนหรือผู้ที่ไม่มีศีลหาคู่ครองที่มีคุณธรรมและให้เขาหรือเธอนั้น เข้ารับการมนตราพิเศษสิ่งเหล่านี้จะช่วยขจัดความทื่อทึบเช่นนี้ได้ 1.3 ความทื่อทึบเนื่องเพราะช่วงเวลาหากมีความรู้สึกไม่ชัดแจ้งและเสื่องซึมในช่วงฤ ด, ดูใบไม้ผลิหรือฤ ด, ดูร้อนมันจะหมดไปได้ โดยเดินทางไปปฏิบัติตามภูเขาที่มีหิมะปกคลุมหรือในที่แบบเดียวกัน 1.4 ความทื่อทึบ อ, อันเนื่องเพราะอาหารและเสื้อผ้าซึ่งมักมีผลจากอาหารของผู้อื่นหรือเสื้อผ้าที่สกปรกดังนั้นเวลาปฏิบัติ เธอควรหลีกเลี่ยงอาหารของผู้อื่นและเสื้อผ้าที่สกปรก 1.5 ความทื่อทึบ อ, อันเนื่องเพราะท่าทางผู้เริ่มต้นมักจะบังเกิดความงกง่วงได้ง่ายในท่านอนหรือท่าทางในทํานองเดียวกันดังนั้นในเวลาภาวนา ให้ใช้ท่านั่งขัดสมาธิทำจิตของเธอให้มีชีวิตชีวาทำความรู้สึกให้เบิกบานและภาวนาด้วยความตื่นรู้ที่แจ้งชัดสิ่งเหล่านี้จะช่วยขจัดความทื่อทึบไปได้ 1.6. ความทื่อทึบเนื่องเพราะการภาวนาเอง เกิดจากการภาวนาด้วยจิตที่ซึมเศร้าหดหูไม่กระตือรือร้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจเธอมัวซัวและง่วงเหงาได้ง่ายให้เธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้ากระตุ้นตนเองให้ตื่นตัวและเกิดความกระตือรือร้นเพื่อให้การรับรู้ของเธอนั้นใสกระจ่างสิ่งเหล่านี้จะช่วยเธอได้ ในตำราว่าด้วยหนทางปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไปได้กล่าวไว้ว่าความทื่อทึบและความซัดใสฟุ้งซ่านของจิตเกิดจากความผิดพลาดที่เธอไม่สามารถจะกระตุ้นตนเองให้เกิดความตื่นรู้ได้โซเกียว so อุปสรรคทั้งหลายของการภาวนานั้นไม่มีทางจะถูกขจัดไปได้หากเธอขาดเสียซึ่งความขยันหมั่นเพียร 2ความซัดสายของจิตมีอยู่สองชนิดคือความซัดสายเพราะถิ่นที่อยู่และความซัดสายเพราะสิ่งที่แวดล้อม 2.1. ความซัดสายเพราะถิ่นที่อยู่จะเกิดขึ้นเมื่อเธอภาวนาในที่โปร่งโล่งจนเกินไป เธอจะบังเกิดความตื่นตัวมากความสนใจในเรื่องต่างๆของเธอจึงไม่อาจสงบตัวลงได้ความคิดของเธอจะฟุ้งซ่านและกระเจิดกระเจิงหากเธอปล่อยใจให้ไปตามสิ่งที่เธอสนใจเธอก็จะตกจมไปสู่อารมณ์อันรบกวนต่างๆการจัดการกับสิ่งนี้ให้มองไปที่เส้นขอบฟ้า หากมันยังไม่สามารถทำให้เธอสงบลงได้ก็ให้ใช้วิธีมองลงต่ำแบบพวกสาวกหรือบางครั้งอาจจดจ้องจิตไปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งภายนอกในตอนกลางคืนให้เข้านอนด้วยการสร้างมโนภาพว่าจิตของเธอได้ผ่านเข้าไปสู่พินทุสีดำ ตรงตำแหน่งที่ทางเดินของลมปราณบรรจบกันเป็นรูปไข่บริเวณส้นเท้านี่คือคำสอนแบบหนึ่งที่ได้แสดงไว้อีกวิธีหนึ่งที่ดีกว่าคือการกำหนดจิตสร้างมโนภาพเป็นตัวอักษร อ, อารงบริเวณที่รับของเธออย่างเมื่อความคิดเกิดขึ้นให้รู้เท่าทัน และกำหนดใช้ตัวเพะแทนแล้วกลั้นลมหายใจไว้สักครู่หลังจากนั้นจึงค่อยๆผ่อนคลายให้หมดและปล่อยมันให้ผ่านไปอีกวิธีหนึ่งคือยามเมื่อความคิดอลากห้ายเกิดขึ้นให้สังเกตดูว่าใครเป็นผู้คิดซึ่งเธอจะไม่พบใคร แล้วจึงพักอยู่ในสภาพที่หาตัวผู้คิดไม่พบนั้นวิธีการเหล่านี้จะช่วยกำจัดความฟุ้งซ่านชนิดนี้ได้ 2.2 ความสัดสายเพราะสิ่งแวดล้อมเมื่อมีเหตุการณ์ภายนอกเกิดขึ้นเธอจะไหลไปตามความคิดปรุงแต่งของเธอเอง ซึ่งมันจะทำให้จิตของเธอฟุ้งปรุงแต่งเป็นอารมณ์รบกวนขึ้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นจงตระหนักไว้เสมอว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรกับมันจงฝึกตนในเรื่องความเมตตากรุณาและเจริญบารมีทั้งหกให้มากรวมทั้งหมันอุทิศส่วนกุศลที่กระทำให้แก่สัพพสั์ ให้ภาคเพียนปฏิบัติเหมือนกับเวลาพัฒนาสัมมาทิฏฐิแล้วสิ่งเหล่านี้จะช่วยขจัดความซัดสายนี้ให้หมดไปได้ 3. ความฟุง้งมีสองส่วนด้วยกันคือความฟุ้งที่เกิดเนื่องเพราะการขาดความเข้าใจที่ถูกต้องและ ความฟุ้งที่เกิดเพราะสิ่งแวดล้อม 3.1 ความฟุ้งที่เกิดเพราะขาดความเข้าใจคือการที่ไม่มีความก้าวหน้าอันใดเลยแม้ว่าเธอจะพยายามภาวนาเท่าใดก็ตามนี่เป็นเพราะว่าเธอไม่แจ้งชัดในวิธีการและลำดับขั้นของการภาวนา เธอไม่รู้จักที่จะแบ่งการภาวนาออกเป็นตอนๆให้เหมาะสมเธอไม่เชื่อฟังคําแนะนําและไม่เชื่อมั่นในค ร, รู ข, ของเธอเองหรืออาจเกิดจากเธอไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นเพียงทฤษฎีและประสบการณ์จริงในการปฏิบัติเธอจึงกลายเป็นนักปฏิบัติที่โง่เขลาการจัดการกับข้อผิดพลาดนี้ เธอต้องยกย่องบูชาและเชื่อมั่นในภรรุของเธอขอขมาและขอพอรจากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับอย่างมั่นคงแบ่งการปฏิบัติออกเป็นตอนตอนและปฏิบัติในแต่ละตอนซ้ำแล้วซ้ำอีกให้คล่องโดยไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับกิจการงานใดๆ จงภาคเพียรภาวนาด้วยใจที่เปิดกว้างและเป็นอิสระเมื่อความรู้สึกของเธอแจ้งชัดจงละวางความคิดทั้งหลายและปฏิบัติต่อไปด้วยวิธีการนี้จะช่วยขจัดความฟุ้งได้และทำให้เกิดประสบการณ์จริงในการภาวนามากขึ้น 3.2 ความฟุ้งอันเนื่องเพราะสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นเมื่อเธอประสบกับเหตุการณ์ภายนอกแล้วเธอตกจมไปในพิษทั้งห้าหรืออารมณ์ทั้งหกจิตของเธอกวัดแกวงและเผลอพลาขาดสติการจัดการกับสิ่งนี้เธอต้องใช้ยาแก้กับพิษทั้งหลายเหล่านั้นโดยทันที ตัดขาดความติดจมอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพิจารณาให้เห็นแจ้งชัดว่ามันล้วนเป็นดังเช่นมายาโซกิล so หากเธอต้องการจะตัดขาดความผิดเพี้ยเหล่านี้ทั้งหมดจงตัดขาดกิเลสทั้งหลายให้หมดสิน้น 2.4 ความผิดเพี้ยนเพราะกิเลสเมื่อนักปฏิบัติพยายามจะคงรักษาการภาวนาไว้ให้สืบเนื่องย่อมจะพบกับศัตรูและโจรมากมายนั่นคือกิเลสทั้งหลายของเขาซึ่งเราจะแบ่งได้เป็นห้าอย่างคือโลภะโทสะโมหะทิฏฐิมานะ และอิจฉาริษยาและจากกิเลสอันเป็นมูลเหตุเหล่านี้จะนำไปสู่กิเลสอื่นๆอีกมากมายถึง8 4 0 0 0สีพันซึ่งจะทำให้เธอไม่สามารถดำรงอยู่ในการภาวนาได้ซึ่งพิษทั้งห้าแต่ละตัวนั้นก็จะรบกวนให้เธอเกิดอารมณ์ทั้งห้าซึ่งจะลากเธอให้ตกจมไปสู่สังสารวัฏ ดังนั้นจงเฝ้าระวังที่จะไม่ให้หวันไหวไปกับมันด้วยความตื่นตัวและความไม่ประมาทเหมือนแม่ที่เพิ่งเสียบุตรของตนไปจงละอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เหมือนเธอพบงูพิษอยู่บนตักของเธอตระหนักรู้ให้เท่าทันมันตื่นตัวและมีสติและปฏิบัติเช่นเดียวกับยามเมื่อเธอฝึกตน ในเรื่องสัมมาทิฏฐิหากเธอไม่ปฏิบัติเช่นนั้นกรรมชั่วมากมายย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกๆขณะโซเกียวหากเธอต้องการจะหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนเช่นนี้เธอต้องทุ่มเทภาคเพียรให้มากเพื่อให้เกิดความชำนาญในการชนะพิษทั้งห้าหลางนี้ด้วยการไม่รับเข้าไว้และไม่ปฏิเสธอย่างถูกต้อง โดยไม่คลาดจากสติปัญญาเป็นยามเฝ้ารักษาตนอย่างไรก็ตามตราบใดที่เธอยังไม่สามารถทำให้สัมมาทิฏฐิและการภาวนาของเธอมั่นคงได้มันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องปลีกวิเวกอยู่ตามที่สงบราวกับกวางที่เจ็บและหนีห่างจากอารมณ์รบกวนทั้งหลายราวกับเธอพบงูพิษ ท่านหญิงโซเกียวได้ถามอีกว่าถ้าเช่นนั้นนักปฏิบัติในสายมนตราศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สมควรใช้กิเลสทั้งหลายเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติหรือท่านคุรูตอบว่าแน่นอนพวกเขาสมควรที่จะใช้มันในทางแห่งการปฏิบัติแต่มีเพียงลกยุงเท่านั้นที่สามารถกินพิษได้ บุคคลผู้สามารถจะใช้กิเลสทั้งหลายเป็นหนทางโดยไม่ต้องรีบละมันนั้นหายากยิ่งกว่าดอกอุทุมวราเสียอีกในขณะที่บางคนผู้มีปัญญามากกิเลสทั้งหลายกลับกลายเป็นสิ่งช่วยเหลืออย่างดีแต่สำหรับผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนมันกลับกลายเป็นพิษสำหรับบุคคลพวกหลังนี้ มันเป็นการดีกว่าที่จะละกิเลส ท, ทั้งหลายเหล่านั้นเสียท่านหญิงโซเกียวถามต่อแล้วบุคคลจะต้องฝึกละกิเลสเหล่านี้ให้ชำนาญแค่ไหนเมื่อเธอไม่ได้ยึดติดหรือมีความรู้สึกพึงพอใจในกิเลสนั้นนั้น และเธอแจ้งชัดในมันว่าเป็นดั่งภาพมายาเช่นนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องละมันอีกแหนว่ามันจะยังเกิดขึ้นก็ตามเพราะมันมิได้ทำให้เธอเดือดร้อนอีกต่อไปเมื่อมันไม่เกิดขึ้นเธอก็ไม่มีความอยากที่จะสร้างมันเพราะว่าเธอปราศจากแล้วซึ่งความต้องการใดๆ เมื่อมันเกิดขึ้นกิเลสทั้งหลายนั้นก็ถูกใช้ให้เป็นหนทางแห่งมักแต่การพยายามที่จะใช้กิเลสเป็นหนทางในขณะที่เธอยังหลงติดอยู่ในความเป็นตัวตนอยู่มันก็เหมือนแมลงวันที่ติดจมอยู่ในน้ําผึ้งโซเกียวจงตัดขาดความผิดเพี้ยนเหล่านี้เถอ สความผิดเพี้ยนของการดำรงตนมี2 ส, ส่วนคือความผิดเพี้ยนเพราะการดำรงตนที่ไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาและความผิดเพี้ยนทั่วไปของการดำรงตน 3.1 ความผิดเพี้ยนเพราะดำรงตนที่ไม่เหมาะสมกับช่วงเวลา มีเจ็ดข้อย่อยด้วยกันคือการดำรงตนเหมือนพึ่งเบื้องต้นควรเริ่มตั้งแต่ศึกษาเรียนรู้พิจารณาให้แจ้งชัดและนำไปภาวนาซึ่งนี่เป็นแนวทางการปฏิบัติของผู้เริ่มต้นมันเป็นการผิดพลาดที่จะปฏิบัติตามนี้ในขั้นตอนการฝึกฝนขั้นโยคี การดำรงตนเหมือนกวางเป็นสิ่งจำเป็นเฉพาะในช่วงเวลากำลังดำเนินอยู่ในมัมันเป็นการผิดพลาดหากเธอดำเนินเช่นนี้ในขั้นตอนการฝึกฝนของโยคีเพราะสมาธิของเธอจะไม่เป็นอิสระการดำรงตนเหมือนคนใบ้ เป็นสิ่งที่ใช้ในเวลาที่เธอมีความแจ้งชัดในประเด็นสำคัญของประสบการณ์ในการปฏิบตัติมันเป็นการผิดพลาด ท, ที่เธอจะทําเช่นนี้ในยามที่เธอจำเป็นต้องดำรงตนแบบพึ่งเพราะว่าเธอยังไม่สามารถเข้าใจแจ้งชัดในชื่อต่างๆและความหมายของมันการดำรงตนเหมือนนกนางแอ่นบินหารัง เป็นสิ่งที่ใช้ในเวลาที่เธอเริ่มมีประสบการณ์ตรงมันเป็นการผิดพลาดหากเธอยังดำรงตนเช่นนี้ในเวลาที่เธอมีความชำนาญในสมาธิแล้วเพราะมันจะกลายเป็นอุปรสรรคกา ร, การดำรงตนแบบคนบ้ามันเป็นสิ่งที่เธอจะดำรงตนอย่าเมื่อเธอมีประสบการณ์ที่มั่นคง มันเป็นความผิดพลาดหากเธอทำเช่นนี้ในตอนที่เธอมีประสบการณ์แค่บางส่วนเพราะว่าเธอจะไม่สามารถค้นพบความหมายที่สมบูรณ์ได้การดํารงตนเหมือนสิงโตใช้สําหรับเวลาที่ได้ทำให้สัมมาทิฏฐินั้นสมบูรณ์มันเป็นความผิดพลาดหากจะใช้ เมื่อยังอยู่ในขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์เพราะว่าหากยังไม่พบความมั่นใจในความเป็นเช่นนั้นเองเธอก็ยังสามารถถูกครอบงำด้วยประสบการณ์อื่นๆได้การดำรงตนแบบสุนักและหมูจะใช้เฉพาะยาเมื่อเธอเป็นผู้ชำนาญแล้วเท่านั้น มันเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งหากเธอใช้ในเวลาที่ผิดเพราะเธอจะต้องถูกลงโทษจากองค์เทพทั้งหลายเมื่อเธอดำรงตนตามวิถีทางที่ไม่มัวหมองประสบการณ์ในตัวเธอก็จะปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับธรรมชาติแห่งธรรมตาอันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิม การมีความเชี่ยวชาญเหนือธาตุทั้งหกจะทำให้เธอสามารถแปลเปลี่ยนการรับรู้ที่ขาศรัทธาของคนอื่นได้ทำคนตายให้ฟื้นคืนชีพแสดงฤทธิ์ได้มากมายแต่หากเธอบิดเบือนจากสิ่งที่แนะนำข้างต้นนั่นเรียกว่าความผิดเพี้ยนจากการดำรงตนที่เหมาะสมและเธอจะไม่ได้รับผลอันใดเลย โซเกียว so หากเธอต้องการจะหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนในทำนองนี้จงปฏิบัติตามวิธีทางที่ถูกต้องของการปฏิบัติที่บรรยายไว้ในพระสูตร 3.2 ความผิดเพี้ยนทั่วไปของการดำรงตน เธออาจจะสร้างรูปแบบของการดำรงตนขึ้นเองชั่วคราวแต่นั่นมันไม่ใช่สิ่งที่จะสอดคล้องกับธรรมหากมันไม่ได้เป็นหนทางไปสู่ความรู้แจ้งนั่นย่อมเรียกว่าการหลอกลวงและซึ่งมันทำให้เกิดการดำรงตนที่ผิดเพี้ยนโซเกีย so ว หากเธอต้องการจะหลีกเลี่ยงการผิดเพี้ยนในการนำรงตนทั่วไปไม่ว่าพฤติกรรมอะไรที่เธอทำเธอจะต้องแน่ใจว่ามันจะเป็นไปเพื่อหนทางไปสู่ความรู้แจ้ง 4. ความผิดเพี้ยนของผล ซึ่งมีอยู่สองประเด็นด้วยกันคือความผิดเพี้ยนของผลอันชั่วคราวและความผิดเพี้ยนของผลอันสูงสุด 4.1 ความผิดเพี้ยนของผลอันชั่วคราวคือเมื่อเธอได้ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยตรงของคุรู้เธอกลับลงคิดว่า ผลธรรมดาธรรมดาที่เธอได้รับนั้นเป็นสิ่งอันเลิศแล้วเธอก็รู้สึกภูมิใจและหลงทะนงตนนี่เรียกว่าเป็นความผิดเพี้ยนเพราะมันจะกีดขวางผลอันสูงสุดไม่ให้เกิดขึ้น 4.2 ความผิดเพี้ยนของผลอันสูงสุด คือเมื่อเธอไม่สามารถที่จะสลายความรู้สึกปรารถนาและความกลัวแม้ว่าเธอจะบรรลุผลบางอย่างแล้วก็ตามผลนั้นเลยกลับผิดเพี้ยนกลายมาเป็นเหตุแห่งการยึดติดอีกโซเกียวหากเธอต้องการจะหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนเช่นนี้จงพิจารณาให้แจ้งชัดว่าทั้งความปรารถนาและความกลัวนั้น ล้วนไม่มีแก่นแท้แห่งความเป็นตัวตนอันใดเลยท่านหญิงโซเกียได้ถามอีกว่านักปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างโพธิจิตอีกไหมหลังจากที่ได้บังเกิดความรู้แจ้งในจุดสำคัญต่างๆตามเป็นจริงท่านค ร, รูตอบว่า โดยแท้จริงแล้วมหายานและสายมนตราศักดิ์สิทธินั้นจะแยกกันที่ความพิเศษของการเสริมสร้างโพธิจิตแต่อย่างไรก็ตามหากเธอไม่สามารถตรหนักถึงเรื่องความตายเรื่องความไม่เที่ยงแท้เรื่องเหตุและปัจจัยต่างๆที่ประกอบกันและเรื่องสิ่งที่เป็นข้อเสียต่างๆของสังสารวัฏในระหว่างวันได้แล้วละก็ เหตุการ์ทั้งหลายในชีวิตนี้ก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเธออาจจะบอกว่าเธอเป็นมหายานแต่หากเธอไม่ฝึกฝนตนเองในเรื่องเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างต่อเนื่องเธอก็ได้เช้ใช้ไปในทางของสาวกและปัจเจกพุทธะเรียบร้อยแล้ว เธออาจจะมีความรู้แจ้งในขั้นสูงสูงแต่หากเธอไม่สามารถคงอยู่บนความไม่รับเข้าไว้และไม่ปฏิเสธไม่ขัดแย้งและไม่ไหลาตามอย่างถูกต้องในทุกๆุกขณะกับเรื่องเหตุและปัจจัยแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆกก็ตามเธอก็ยังคงต้องพบกับความทุกข์อันหลากหลาย